ฉะนั้นพวกเราท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใครตังหน้าตัางตาประพฤติปฏิบัติรักษ า, าการจัดชั่วบำเพ็ญดีคนนั้นแหละจะมีความสุขความสบายภายในจิตในใจของตัวแต่เรื่องของกายนั้นมันเหมือนกัน ใครเกิดมาที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีมันจะต่อไปเหมือนกันหมดแต่ใจมันไม่เหมือนกันคือใจของท่านมันไม่หวั่นไหวใจของท่านมันปุกมันเย็นถึงจะไม่ถึงพระนิพพานยังมีการส่องเฉี่ยวเยีนยนายวใจเกิดมีพบมีชาตอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้เสียใจเพราะบุญกุศลที่เรา ก่อล้างสร้างไว้มันมีอยู่ในใจของเราเหมือน ก, นกันกับคนที่มีสมบัติเข่าของถึงบ้านช่องจะถูกไฟไหม้หรือเขาขับไล่หนีแต่เข่าของเงินทองที่เราสะสมเอาไว้มีจะไปสร้างบ้านใหม่มันก็สะดวกสบายถ้าไม่มีอะไรถูกเขาขับไล่จะเป็นอย่างไร ก็เดือดร้อนนี่วันเวลามันขับไลเราอยู่ตลอดนะคือมันกินชีวิตของเราไปทุกวันมานัง่งอยู่นี่ก็หมดไฟหลายนาทีแล้วใกล้ตายเรื่อยไปไม่มีใครที่จะเหลือหรอคนที่เขาตายไปก่อนก็เหมือนกันกับเราที่ยังอยู่เนี่ยแต่ก่อนแต่เขาก็ตายไปได้ทั้งที่เขาไมา่อยากตาย เราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันมันเดินจริงชีวิตของเราอยู่อย่างนี้อย่างวันเวลามันไม่มีกลับหลังนี่จะเดินไปข้างหน้าคนเกิดมาอยากจะเป็นเด็กอีกถ้าไม่เกิดใหม่อย่าไปหวังนับวันมันจะแก่เรื่อยไปผลที่สุดก็ถึงจุดคือความตายมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้ แต่ผู้ที่มีคุณงามความดีคือเกิดมาไม่ประมาทอุตส่าห์ทำคุณงามความดีตามความสามารถของตัวทานเราก็อุตส่าห์พยายามสแสวงหาทาเอาไว้ไม่ประมาทเรามีพอที่จะทำได้ก็ทำไปตามกาลังตามความสามารถของตัวไม่นอนใจ ไม่ใช่ว่าจะมีเหลือจินเหลือใช้เหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงจะทําไม่เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ประมาธมีน้อยกว่าทานไปตามน้อยเสียสละไปเื่อ ส, ะ, อสะสมคุณความดีเอาไว้คือการให้ไปเราเลึกได้คนนั้นเราได้ให้อันนั้นคนนี้เราได้ให้อันนี้เราก็ดีใจสบายใจ เหมือน ก, นกันกับเขาไปปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ, ๆเอาไว้ในสวนของเขาในนาของเขาเขาดีใจเพราะเขาได้ปลูกเอาไว้วันข้างหน้าของที่ปลูกเอาไว้จะโตดอกออกผลให้แก่เขาเขาคิดอย่างนั้นเขาจึงเสียตละเวลาไปทําไปปลูกเพราะปลูกแล้วผล ที่ออกมาจะเป็นของของเราไม่ใช่เราจะไม่มีสิตธ์เรามีสิตธิ์พอเราไปปลูกเอาไว้เราทาเอาไว้มีการให้ทานก็ทำนองเดียว ก, กันเราได้ทำเอาไว้เราคิดไปใจของเรากาสุกใจของเรากาสบายกว่าเกิดมาไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะเราได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่เป็นสาระประโยชน์แก่สัตว์แก่บุคคลงสงฆ์ขอรงหาบูชาในผูกควรบูชาเพียงแค่นี้จิตใจมันก็สุขกว่าสบายเหืือตายไปเกิดอำนาจใจคือกรรมที่เราทำความดีเอาไว้เราก็มีหวังทางหน้าของเรา จึงไม่เสียใจในการจากอัตมาากไปเหมือนกันกับคนจากหลมไม้ไปสู่บ้านช่องไม่ได้เสียใจเพราะหบไม้เราจะอยู่อาศัยได้เพราะกันแดดแต่ฝนกันไม่ได้ถ้าแดดจะจัดก็อีกอต้องเคลื่อนที่ไปเพราะหลบม ไ, มไม้เหมือนบ้าน มันเลยมีเครื่องกัน้นเครื่องสิด บ, บังเท่าไรแังนั้นคนที่จากหล่มไม้เขาไปสู่บ้านเขาจึงไม่เสียใจถ้าไลงมาจากบ้านมานอนหล่มไม้เขาเสียใจแต่ให้เขาออกจากรล่มไม้ไปอยู่ในบ้านเขาดีใจนี่คนที่มีคุณงามความดีอยู่ในใจกัาทํานองเดียวกันตายไปเขาจึงไม่หวั่นไหวเพราะเขาจะเลยไปสู่ จุดที่ดีเกิดในที่ดีมีความสุขยิ่งกว่าชาตินี้นี่หมายถึงผู้ที่ยังไม่ถึงพระนิพพานพบชาติยังมีจะต้องหมุนเวียนกันไปอยู่ตามหน้าที่ของกรรมที่เราทําเอาไว้บางครั้งบางทีเราได้ทําความดีเราก็เลยไปเกิดในสถานที่ดีเป็นเทพพบุตรเทพบิดาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นพระราชามาหาการศัตด์เป็นเศรษฐีกลุมทีเพราะความดีที่สะสมเอาไว้สนับสนุนให้ร่างกายตัวไม่คอยจะมีโครคภัยเบียดเบียนจิตใจก็ผ่องใสสะอาดมีสติมีปัญญาสามารถที่จะแสวงหาสมบัติทั้งๆ ท, ที่เขาทั่วไปยากจนเข็นใจ แต่เรามีสติปัญญาหาได้เหนือเขาทุกอย่างไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำไว้ส่งผลให้บุญกุศลที่คนทาไว้สนับสนุนให้มีความสุขกายสุขใจตามอำนาจวาสนาตามอำนาจของกำลังกรรมที่ตัวทำเอาไว้ ถ้าไม่ได้ทำอะไรมันก็ลำบากเหมือนกันกันกบคนไม่มีอะไรติดตัวจะไปพักผาอาศัยที่ไหนมันก็ลำบากอดอยากมาจะหาอะไรมารับทานมันก็ไม่มีจะหาเงินทองเท่าของไปแลกเปลี่ยนเขามันก็ไม่มีคนแบบนี้มันก็ทุกข์ช่างๆ ท, ที่เข้าของ เต็มตลาดอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะไปเอาของของเขาได้เพราะเราไม่มีอะไรไปเปลี่ยนเขาต่ขอเขาเขาก็ให้นิดหน่อยหรือบางทีเขาไม่ให้ก็ไม่ผิดกฎหมายข้อนไหนคนที่ไม่มีสมบัติจึงเดือดร้อนทั้งๆั้ที่สิ่งของอยู่ในโลกนีอยู่แต่ก็ไม่ได้มาตาม ความบาดสนาของตัวคนอาภัพบุญกุศลในตนก็ทำนองเดียวกันเกิดทีกรุ้มผีตะกูลดีๆมีมากแต่ก็ไปเกิดไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจบาสนายิ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพบรดาก็ยิ่งแล้วเพราะบุญกุศลของตน ไม่มีพอที่จะไปเกิดในสถานที่สุขสบายอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่ปรารถนาะความดีจึงควรสะสมความดีเอาไว้อย่าไปนอนใจตายใจเพราะวันคืนกินชีวิตของเราเรื่อยไปแต่เข้าพรรษามานี้ก็เกือบจะครึ่งพรรษาแล้วคุณความดี ในปีนี้ในพรรษานี้ได้ทำอะไรไว้เป็นที่ประทับใจไหมแต่เข้าพรรษามาก็เป็นเวลาเดือนเศษๆมาแล้วการเขาวัดเขาวาจำศีลภาวนาให้ทานก็ดีมีอะไรประทับใจของเราไหมได้ทำจิตทำใจให้สงบเย็นไหม เหงื่อหดตอยวันคืนเดือนปีคืนจินชีวิตยอยู่เรื่อยไปจิตใจเคยวุ่นวายขัดข้องเศร้าหมองขุนมัวอยู่อย่างไรก็ยังคงเส้นคงวาหาความสงบเย็นอะไรไม่มีในจิตใจของตนไม่มีของมีคุณค่ามีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความชั่วช้าเสียหายบีบบังคับอยู่อย่างนั้น เราต้องตรวจตาพิจรารณาพอวันเวลามันมันหมดไปชีวิตเราหมดไปความดีที่ควรได้ควรเป็นควรเห็นควรรู้เรามีอะไรถ้าเราตรวจตาพิจารณาอย่างนี้จะไม่นอนใจตายใจทานที่ยังไม่ให้ก็อยากจะให้เพราะจะอยากจะปลูกฝังเอาไว้ความดีเี็แล้วยังไม่เคยรักษาก็อยากจะรักษา ก็จะให้ได้มาถึงความดีแก่ตัวข้องตัวภาวานาะก็ทำนองเดียวกันในปล่อยชีวิตให้เป็นหมันวันคืนที่ผ่านไปพยายามทำทำอันอื่นทำได้แต่จะมากำหนดในอักในทำตำราจิตของตัวนั้นมันไม่คอยสนใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจะเกิดมาจีพระองค์ขอตามจะมานั่งบาผูดธรรมะใส่หูมันก็ไม่ได้ยินให้เพราะมันไมด้เอาใจใส่ไม่ต่างหน้าต่างตาจะฟังว่าผิดถูกดีชั่วอย่างไรไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเท่ากับจีเลตัญหาของตัวเองฉะนั้นมันจึงติดข้องอยู่เรื่อยมา ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเห็นความส ง, งบเย็นของใจเหมือ น, นกันกับคนตาบอดถึงดาวเดือนมันจะมีพระอาทิตย์มันจะมีแสงไฟมันจะมีแต่อำนาจความบอดท้องตามันก็นไม่มีโอกาสเวลาที่จะเห็นแสงสีกับเขาด่างเมอเราก็ะทม น, นองเดียวกันพระพุทธเจ้า ว่าโซดาสศิษาคานาคารหันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุติเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเคยเป็นเพียงแต่ได้ยินเท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นเพียงแต่ได้ยินไม่เคยเห็นมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้นะความได้ยินกับความเห็นมันผิดกันไกล ได้ยินว่าเขาจินอันนั้นเขาจินอันนี้ว่าเสือมันดูอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินเฉยๆไม่เห็นตัวมันเ ม, ม่อก็แบตัวมีความชั่วก็ทํานองเดียวกันเราไม่เห็นในจิตในใจเราจึงกล้าทำกล้าพูดกล้าคิดได้ถ้าเห็นในจิตในใจมันกลัวกลัวความชั่วกลัวจริงๆจัง ๆ, ๆไม่กล้าที่จะทําเพราะความชั่วนั้นให้ตายเสียดีกว่า ถ้าให้ทำความชั่วลงไปเคยมีตำหรับตำราอย่างพะพุทธเจ้าองค์ที่มาสอนพวกเราเนี่ยสมัยฉันเป็นทาลุษียังไม่มีศาสนาบวชอยู่ในป่ามาจำศีนภาวนามาบินฑบาตในตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลนายช่างแก้ว นายสั่งคนนั้นมีความเหลื่อมใสเต็มใจศรัทธากับท่านมีมนถันมาบินทบาทไปจําบ้านของท่านท่านก็มาตามเรื่องของท่านทุกวันทุกเวลาถึงตอนเชา้ากว่านําบาทานะนายสั่งกอจัดหาอาหารบินทบาทให้ได้แล้วก็กลับไปวันหนึ่งเพอเอิญ มีราชะกูลคือตะกูลของกษัตริย์น้ำแก้วมณีซึ่งมีสีแดงแล้วก็ราคามากมาให้ในช่างเอาใส่หัวแหวนหรือใส่อะไรไม่ทราบอะมาให้ในช่างทำให้เธอเอินระยะนั้นหรือสีก่อข้อไปบินทบะบักไปเห็นสีเขาเออกมาวาง ไว้มาให้ในายช่างรับไว้ก็วางไว้โต๊ะก็เชื่อใจเรือศีลจเป็นผู้ที่มีมศีลมีสัตว์คงจะไม่มีการลักการขโมยสิ่งเหล่านี้ไปเพราะเคยปฏิบัติรักษามากว่านานแล้วไม่เห็นอะไรที่ท่านจะทำชั่วทำเสียเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่ในบ้านของนายช่างมีนกกรเรียนตันเลี้ยงเอาไว้ เพอเอินนายช่างวางแก้วไว้บนโต๊ะคนที่เอามาให้เขาก่อ น, นี้ไปยังเหลือแต่ลูซีอยู่นั้นกำนกกรเรียนนายช่างก่ไปจัดอาหารใส่บาทของลูซี่กลับออกมาหาแก้วไม่มีโดยโกรธเสียใจถามลูซีท่านก็ไม่บอกถามว่าท่านเอาแก้วฉันใส่ไหมไม่ได้เอา ใน ไ, ได้เอาใครเอาของฉันไปมีใครเข้ามาไหมไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนั้นก็ใครเล่าเขาจะมาขโมยไปนอกจากท่านคนเดียวถนุนี้เขาก็ปลูกใจมั่นว่าฤาษีเป็นผู้ขโมยของเขาแต่ความจริงนกกรเรียนที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันมาเห็นนึกว่าก่อนเมื้อมันกินลงไปในท้องของมันถ้าจะบอกว่านกกิน ในข่างก็จะข่านกถ้าฆ่านกนกก็ตายที่นกตายก็เพราะวาจาของเราบอกว่านกกินแจ้วมันจะเสียศีนเสียสั์เราไม่ควรจะบอกนึกแล้วถ้าไม่บอกเขาจับตัวของเราตีตัวของเราเราจะทำอย่างไรเราจะจะอดทนได้ไหมเราจะต่อสู้ไหวไหม ในความเจ็บปวดต่างๆคิดแล้วยอมถวายชีวิตในยอมบอกเขาก็ขู่มัดตีตีฤษีเครือกผูกมัดเข้าตีเข้าจนเลือดไหลออกตามอาาวัยวะต่างๆ ต, ตกลงไปนกกรเรียนมันเห็นเลือดตกลงไปมันก็วิ่งเข้ามามากินเลือด ไอ้คนนั่นก็โกรธอยู่แล้วก็เลยเตะนกตกไปตายขันจริคคอยพูดขึ้นโยมนกมันตายหรื อ, อยังละเชือกออกจากตัวอัตมาหน่อยมันจะเหลือหรือเตะขนาดนี้มันไม่มีเหลื อ, อไปดูสิถ้าหากมันตายก็ยจะบอกให้ พอในช่างไปดูเห็นว่านกมันตายกว่านกนั่นแหละจินแจวของท่านไม่ในช่อัตมาเอาอ้าวอย่างนั้นผมก็โทษหนักเลยสิแต่ก่อนท่านทําไมท่านไม่บอกถ้าบอกก็เพราะกลัวโยมจะไปข่านกนกท่านรักษาศีลของท่านาเสมอกับชีวิตของท่านไม่ยอมที่จะทําศีลของท่านให้เสียหายไปพวกเราจะทําได้ไหมทําแบบนั้นทําไม่ได้ นี่ท่านรักษาได้ทาได้เป็นความชั่วเป็นฟืนเป็นไฟเป็นของที่ไม่สารถนาไม่ต้องการแม้ตัวจะตายไปก ข, ขออย่าให้มีความชั่วอยู่ในกายในใจของตัวท่านยอมเสียสละขนาดนี้นี่หมายถึงนิทานที่ท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นเพื่อนเตือนใจของพวกเราที่จะทาชั่วต่างๆเมื่อทำชั่ว ความชั่วจะติดตัวของเราเรื่อยไปไม่มีใครที่จะมาลักเคาะห์กรรมที่ทาเอาไว้ท่านจึงกลัวความชั่วยิ่งกลัวกลัวความตายเพียงรู้สีรักษาศีนก็เอาขนาดนั้นศีนแบบนี้ทําแบบนี้ท่านเรียกว่าปรณาถศศีนตัวศีนยอดเยี่ยมรักษาเอาชีวิตเป็นแดงไม่ยอมให้ศีนของตัว สิ้นของตัวเสียไปนี่พระพุทธเจ้าเคยทำเป็นตัวอย่างของพวกเรามาแต่นั้นพวกเราถ้าหากทุกคนกลัวความชั่วจะเป็นการทำก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดีอย่างนั้นมันก็มีวันมีเวลาที่จะชำระชั่วชั่วที่มีอยู่ในตัวก็ชำระออกไปชั่วใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่มีทางเพราะปิดกันเอาไว้ เมื่อชั่วไม่มีสร้างเอาแต่ความดีอยู่เรื่อยๆความดีก่าทวีคูณขึ้นไปผลที่สุดตกดอกออกผลให้คือโซโดาสกิทาตาอนาชาอราหันเข้าใจชัดเจนอยู่ในจิตในใจของผู้กระทามอมเพ็ินไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้ใจมันเคยจิตเคยส่องเคยเศร้าเคยมองเคยหลงไหลใส่ฝันในจริงอนนั้นโดยอำนาจ สติปัญญาที่นีพิจารณาแยบคายลงไปว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่มันก่อถอดออกไปถอนออกไปตกออกไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยเหลือหลออยู่เรื่องกิเลสตัณหานี่คือชาระใจของตัวให้บริรสุทธิ์ใสจิตตาพริโยธาปานังคือทำจิตของตัวให้ยิ่งทำจิตของตัวให้พ่องใสพวกเรามีสิทธ ทุกคนที่จะตังตงตะต้งหน้าตัางตาสำละตั้งหน้าตัางตาปฏิบัติถึงพอพุทธเจ้าปรินิพานไปก็อย่าไปสงสัยว่ามรรคผลมันไม่มีดีมันหมดไปชั่วมันหมดไปมันยังอยู่สำหรับเราผู้ที่ยังอยู่ถ้าเราหมดกิเลสตัณหามาณทิฏฐิดีชั่วเดี๋ยวสำละในการทำ จนจบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาโลกอันนี้นี่เรายังมีความหิวอยู่กว่าจะต้องสแสวงหาอาหารมาบริโภคเกี่ยความอิ่มหนำําราญเรายังบกพร่องด้านบุญด้านกุศลอยู่กว่าต้องสแสวงหาการทาบําเพนเอาเรามีสิทธิ์พอที่จะทําได้ทานการบริจาคเราก็พอที่จะทําได้ ไม่ใช่มันเหลือวิสัยคนอดอยากจนถ้ามีปัญญากลพ่อแสแหวงหามาได้ก็ของอยู่ยตามถุงตามนาตามป่าตามโดมันมีทักนางหางยาต่างๆ ต, ตามป่าตามโดมันมีถ้ามีปัญญาอันนี้เราจะเอาไปทำบุญพ้นทานดอกไม้ตามถุงนาตามป่าเราจะเอาไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดขึ้น ในจิตในใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติบูชามันก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มันจะยากเย็นเรากราบเราไหว้เราระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ในจิตในใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันจะยากลําบากอะไรนั่งอยู่บริกรรมพุทโธพุทโธให้จิตเหลื่อมใส่ให้ใจอยู่ในบทคงบริกรรม ครับไล่สัญญาอารมณ์ต่างๆให้ออกไปให้ใจเป็นพุท ธ, ธะให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานไม่ให้หุกเหี่ยวเต่ามองมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันไม่ยากไม่ลาบากถ้าหากฉลาดทมถ้าคนโง่หรอกทาไม่ได้ในว่าต่างแตกธรรมะเพียงเรื่องห ย, ยาบๆของโลกมันก็ยังหาไม่ได้เพราะมันโง่ คนโง่จึงได้ชื่อว่าเป็นของไม่ดีที่โง่ก็คือไม่ศึกษาที่โงก่กว่าเคยไม่พิจารณาไม่ยอมเสียสะละความชั่วความเสียของตัวมันจึงโง่อยู่เรื่อยไปนี่เราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนารีบกะระทำบาเพ็ญมันคืนเดือนปีมันหมดไปพันษานี้ก็ควนจะถึ้นแล้ว อะไรที่เป็นสาระแ่นสารในจิตในใจของเราถ้ายังไม่มีรีบสแสวงหารีบกระทําให้เกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจปล่อยให้วันคืนเดือนปีเป็นหมันเป็นโมคะมันขอเป็นหมันเป็นโมคะเลื่อยมาพรรษาก็ไม่ได้ ตั้งจิตตั้งใจนอกคันซ้าก็ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจไม่ได้ทำอะไรในคุณงามความดีวันเกือนปีเดือนก็หมดไปเรื่อยๆความแก่ความตายก็ขยับเข้ามาเรื่อยผลที่สุดถึงตัวเขา้าร้องไห้เสียใจหา ม, มีโอกาสเวลาไม่ตายระยะนี้ก็องจะเจรเขาวัดเขวาวาจำศีลภาวนาะทาบุญสุนทานอย่างนั้นอย่างนี้ พอจะตายจริงจังไม่มีอะไรก็คว้าหาอยากจะทำคุณงามความดีพอหายจากป่วยจากไข่ก็ลืมไปอีกเพลินไปอีกหลงไปอีกมันเป็นแบบนี้มันจึงเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยมาถ้าหากเราํำระสาสางปลุกตัวของตัวให้ตื่นอยู่สมเสมอมันคืนเดือนปีผ่านไปอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีอายุแก่ก็ให้มี จิตใจในอดในธรรมมันแก่ไปด้วยตัวตายกว่าเหตุเฉลี่ยตายไปด้วยมันก็มีความสุขความสบายเท่านั้นแต่นั้นจงพากันกระทำบำเพ็ญมีสัจจะความจริงใจในพรรษานี้ก่อนจะนอนจะต้องไหวพ้พระนั่งภาวนาะตื่นมาจะต้องไหวพ้พระสวดมนต์ภาวนาะถ้าหากพอลุกได้ พะทำได้นอกจากจะป่วยจะตายไปก่อนถ้าเราคิดผูกจิตผูกใจตั้งมั่นอย่างนี้วันใดที่มันลืมหลงไปหรือมันตื่นสายไปจะต้องลงโทษมันวันใหม่จะต้องทำเพิ่มขึ้นเพื่อจะทดแทนที่มันหายไปมันเสียไปถ้าตั้งใจอย่างนี้ ความดีของเรามันก็จะเกิดขึ้นวันคืนผ่านไปความดีก็นับวันทวีคูณดีขึ้นดีขึ้นทันที่สุดเราก็มีความสุขในจิตในใจนี่าการทำความดีอย่าไปโยนความดีไปข้างหน้าว่าวันนั้นก่อนปีนี้ก่อนความตายมานันไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งนะมันไหลมาทุกวันทุกเวลาแต่ความดีที่เราจะทำไปอ่างการอ่างเวลา กิเี่ตัณหามันไม่ได้อ่างการอ่างเวลามันเกิดขึ้นมาได้ทุกระยะทุกเวลาแต่นั้นสองมีสติรักษามีปัญญาเนี้ยสอนตัวของตัวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทคือเป็นกลุ่มพวกที่รู้ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่หลงพุทธคือผู้รู้พุทธคือผู้ตื่นไม่ได้หลับ พุทอะไรหลับอยู่ตลอดเวลาพุดอะไรหลงอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นรู้เราควรจะแนะสอนตัวค้องตัวต่างหน้าต่างตากระทาบาเพ็ญเพราะคุณงามความดีที่เราสะสมเอาไว้ไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครที่จ๊ะมาแย่งมาแบ่งเอาไปเป็นสมบัติของเราแท้ๆทำเพื่อตัวแท้ๆไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น เมื่อเราทราบอย่างนี้ก็รีบกระ ท, ำำทําบําเพ็ญเมื่อต่าง่านต่างคนกระ ท, ำำทําบําเพ็ญคุณงามความดีจิตใจที่เคยหวั่นไหวจิตใจที่เคยเศร้าหมองเป็นไปด้วยโลกกุหลงต่างๆก็คอยจะเบาจะบางจะสงบเย็นนี่คือความดีที่เรากระทาบำทําเพ็ญเห็นผลในตนของตนฉะนั้นขอทุกคน ดวงตางหน้าต่างๆากระ ท, ำำทําบําเพ็ญอย่าไปอ่างการอ่างเวลาเรามีสิตที่จะกระทําบําเพ็ญได้โดยการทุกขทนหนะ้าไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าคารวะเราทําได้ด้วยกันและมีสิตที่จะได้รับผลตอบแทนทำเป็นอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัยพระพุทธเจ้าจะยังอยู่หรือปริจุบันนี้านไป การทำดีความดีจะเป็นผลตอบแทนทำชั่วความชั่วจะเป็นผลตอบแทนเมื่อทุกคนได้สดับรับฟังแล้วจงนำไปพิจิตรเจนาศึกษาเมื่อเห็นว่าเป็นทางที่ควรกระทำบมเพนประลงมือประพฤติปฏิบัติต่อจากนั้นไปความสุขความเจริญก็ จ, ญจะเกิดขึ้นแก่ทุกท่านที่จะทำบมเพนตามธรรมะคำสอนของผู้ใจจ้าง การอี่บายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเวลาพอยติเพงแค่นี้เอง